Book 2 <11. S 3> <21. S> 2ยี่สิบเอ็ดวัตาดีเอเดนการสนทนาสองคุณมาจากไหนคะมาจากบาเซลค่ะ Z b a ซ i l e ยปาเซลอยู่ในประเทศสวิต k ซอร์แลนด์บาเซเลียเยโวชไวเชร์สกุดิฉันขอแนะนำให้คุณรู้จักกับคุณมิวเลอร์ได้ไหมคะสเมียนวเขาเป็นคนต่างชาติย เขาพูดได้หลายภาษาคุณมาที่นี่ครั้งแรกใช่ไหมคะสต tu ปบปรวิรสไม่ใช่ดิฉันเคยมาที่นี่เมื่อปีที่แล้วค่ะ n นี่ยบอลซมตูอุจมินุลีรก แค่หนึ่งสัปดาห์เท่านั้นค่ะ jeden คุณชอบที่นี่ไหมคะคนที่นี่ใจดีดิฉันชอบมากค่ะและดิฉันก็ชอบทัศนียภาพด้วยค่ะ อาครา ي a ا ซามิปาชิทีเอสคุณทางานอะไรคะคุณมาที่พวกลานีดิฉันเป็นนักแปลดิฉันแปลหนังสือคุณมาที่นี่คนเดียวใช่ไหมคะ เจตุสามส a มะไม่ใช่สามีของดิฉันก็มาที่นี่ด้วยค่ะ n นี ena, m o ม a วย n a m ะม m วยมุชเจ u t เจและนั่นเป็นลูกทั้งสองคนของดิฉันอ t a m s ซ o อบเปมัวยเจ